ก่อกาบบูชาพระรัตนตรัย <c oughs> ก่า บ, บูชาครูบาจารย์ตั้งแต่หลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคำเขียนถาวายความกรพบมายัางหลวงพ่อกมพระอาจารยุ ก, กิครูบาจารย์พันเตขอโอกาสเพื่อนสาธมิกจเจริญพรมายัางแม่ชีแล้วก็นักปฏิบัติธรรมทุกท่าน <c oughs> ก็นั่งกันตามปกติเนาะ ตอนนี้ถ้าใครรู้สึกง่วงก็พยายามปลุกตัวเองให้ตื่นนิดนึงนะพุทธพุทธโธเนาะ <c oughs> ใจตื่นรู้วันนี้ก็เป็นวันอังคารที่13ตุลาคมนะพุทธศักราช2 5ง8นะก็เป็นอีกวันหนึ่งนะที่เราได้มาร่วมกันไหว้พระสุดมนต์นะแล้วก็มาฟังธรรมนะสิ่งที่ ได้ยินได้ฟังเราก็เอาไปประพฤติปฏิบัติก็จะได้เกิดผลผู้พูดก็พยายามที่จะพูดนในสิ่งที่คิดว่าเป็นประโยชน์นสำหรับการประพฤติปฏิบัติในช่วงวันสองวันที่ผ่านม า, นาก็เป็นช่วงที่อากาศเริ่มเปลี่ยนแปลงาจากหน้าฝนเปลี่ยนเป็นหน้ า, นาหนาวหนาวจริงเปล่าไม่รู้นะ แต่เท่าที่ดูอุณภูมิมันลดลงนะเมื่อวานนี้่20องศานะวันนี้ประมาณ2 2องศาในช่วงเช้านะเมื่อวานก็ถามท่านหมูว่าที่ภูหลงเป็นยังไงบ้างนะท่านก็บอกโอ้สิบองศาโหนาวกว่าที่นี่นะอันนี้ก็เป็นความเปลี่ยนแปลงของอากาศนะที่เป็นธรรมชาตินะที่เ็าเปลี่ยนแปลงไปนะในความเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะ พวกเราแต่ละคนนะก็รู้จักการปรับเนื้อปรับตัวหนะาเสื้อผ้าที่อบอุ่นนะมาช่วยทำให้เราอบอุ่นขึ้นนะอากาศมันจะหนาวนะแต่เราก็แก้ไขไดนะ้ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นธรรมชาติธรรมดานะไม่มีใครไปสั่งการให้เป็นไปอย่างที่เราต้องการได้นะ น, นี่ก็เป็นสิ่งที่เราเพียงแค่ปรับเนื้อปรับตัวให้พอเหมาะพอดี นะกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปแต่มันก็มีความเปลี่ยนแปลงที่มนุษย์เราสามารถที่จะทำขึ้นมาได้เหมือนกันนะอย่างเช่นเมื่อประมาณ42ปีที่แล้วนะช่วงวันที่14ตุลาสองพนะ 16, นะช่วงนั้นก็มีการลุกฮือขึ้นมานะของประชาชนนะในการที่จะเรียกร้องนะสิทธิ์เสียงต่างๆนะเพื่อที่จะอขออำนาจคืนมา นะซึ่งก็ต้องแลกมาด้วยความทุกยากนะแล้วก็ชีวิตเลือดเนื้อต่างๆนะซึ่งก็เป็นเรื่องที่ทำให้ประเทศไทยเรานะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะประชาชนมีสิทธิ์มีเสียงมากขึ้นอันนี้ก็เป็นความเปลี่ยนแปลงของสังคมนะที่เกิดจากคนเรานะที่สามารถที่จะทาขึ้นมาได้ เพราะนั้นความเปลี่ยนแปลงเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแน่นอนนะไม่มีใครที่จะไปหยุดยั้งได้แต่ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเนี่ยนะมันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะสภาพแวดล้อมข้างนอกเท่านั้นนะมันเกิดขึ้นกับตัวเราด้วยนะเกิดขึ้นกับกายกับใจเราด้วยนะเอาง่ายๆขณะที่เรานั่งฟังอยู่ตอนนี้เนี่ยนะบางทีมันก็ปวดก็เมื่อยขึ้นมานั่นก็เป็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของร่างกาย นะหรือว่า <c oughs> ความรู้สึกง่วงเหงาๆนอนนะอันนี้ก็เป็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะที่มันเคลื่อนไปนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าเราสังเกตนะหรือคอยสังเกตดูความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เนี่ยเราก็จะเห็นความจริงนะความจริงของกายของใจนะแล้วก็เห็นความจริงของสิ่งแวดล้อมต่างๆ ความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ก็เป็นธรรมชาติธรรมดานะที่เร า, เาจะต้องสัมผัสจะต้องประสบทีนี้ความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เนี่ยถ้าเราไม่รู้เท่ารู้ทันนะบางทีมันก็ทำให้จิตใจเราหวั่นไหวนะเอาง่ายๆแค่นั่งนานๆเนี่ยมันปวดมันเมื่อยขึ้นมาเนี่ยนะเรารู้สึกทนไม่ได้นะบางทีเราก็รู้สึกหงุดหงิดนะรู้สึกไม่อยากให้มันปวดแล้วนะเมื่อไรมันจะหายสักทีนะ อันนี้เราก็สามารถใช่จะเปลี่ยนได้นะเปลี่ยนอิบทไปได้นะเมื่อเราเปลี่ยนอิบทเดินนะเรากา็สบายขึ้นนะตรงนั้นก็สังเกตดูนะใจเราก็รู้สึกสบายขึ้นนะมีความสบายขึ้นกว่าเมื่อสักครู่นี้นะเรียกว่าจิตใจของเราเนี่ยถ้าเราไม่สังเกตดูให้ดีๆมันจะมีการวันไว้วันไว้กับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี่เอาแค่กายหยาบๆยาบนะ ยังไม่พูดถึงความคิดปรุงแต่งอารมณ์ต่างๆนะที่มันจะพลั่งปลูกขึ้นมาอาจจะเป็นเรื่องเก่าๆนะเป็นเรื่องที่ดีหรือไม่ดีก็ตามนะถ้าเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่เป็นความสุขนะเราก็รู้สึกมีความพอใจนะถ้าเป็นเรื่องที่ไม่ดีเป็นสิ่งที่เราทำไม่ดีมาก่อนนะถ้ามันคิดนึกขึ้นมาเราก็รู้สึกไม่สบายใจ อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องสังเกตแล้วก็เรียนรู้าจากความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหรืออย่างเช่นว่า <c oughs> อีกประมาณ2อาทิตย์นะก็จะออกพรรษาแล้นะหลายคนก็เตรียมแผนจะไปที่นูน่นไปที่นี่นะนั่นก็เป็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเนื่องจากช่วงเวลานะหรือว่าสิ่งที่เราสมมุติกันว่าเข้าพรรษาออกพรรษานะเมื่อ ออกภรรษาแล้วเราจะไปที่นู่นไปที่นี่กันเรียกว่าเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนสิ่งแวดล้อมซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องของการที่เราพยายามที่จะปรับเปลี่ยนในส่วนของสิ่งแวดล้อมต่างๆเพื่อให้จิตใจของเรานะั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปเหมือนกันนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะสังเกตได้ความเปลี่ยนแปลงเนี่ย ส่วนหนึ่งเป็นไปตามธรรมชาติอีกส่วนหนึ่งเราเข้าไปเกี่ยวข้องได้ถ้าเราเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะมันก็เกิดความเจริญเกิดความสุขเกิดสันติสุขนะแต่ถ้าเราเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่ดีนะมันก็เกิดความเสื่อมเรเรียกว่าบิบัตนะถ้าไปทางเจริญก็เป็นวิวัตรนะวิวัตรพัฒนานะทีนี้การจะไปทางเจริญหรือทางเสื่อมนั้นมันอาศัยอะไร ก็ใส่สติปัญญานั่นเองสติปัญญาที่สอดคล้องกับ <c oughs> กฎของธรรมชาตินะกฎของธรรมชาติที่เออเป็นไปเป็นไปโดยความถูกต้องเหมาะสมนะก็เรียกว่าเป็นไปโดยทำนองคลองธรรมถูกต้องทำนองคลองธรรมซึ่งตรงนี้ <c oughs> เป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เกิดความเจริญขึ้นมาทีนี้ถ้าเราไปทำอีกทางหนึ่ง ในทางเสื่อมในาทางเสือ่อมด้วยทางที่วิบัติส่วนใหญ่ก็เกิดจากการที่เราไม่รู้เท่าทันไม่รู้เท่าทันความจริงทำอะไรไปตามสัญชาติยานบ้างทำอะไรไปตามความอยากาความต้องการบ้างาที่เรียกว่าโลภความโลภความโกรธความหลงอันนี้ก็จะเป็นไปในทางเสื่อมทีนี้ถ้าเราทำไปตามสติปัญญ า, าที่ถูกต้องเหมาะสมกับ ธรรมะนะหรือความถูกต้องนะตรงนี้ก็จะทําทให้เกิดความเจริญเอากันง่ายๆเนี่ยนะอย่างเช่นว่าเราหิวเรากระหายนะความต้องการก็คือต้องการกินแต่การกินเนี่ยเราก็ต้องพิจารณาให้พอเหมาะพอดีกินมากเกินไปเพราะความอยากนะตรงนี้มันก็จะทําทให้อิ่มมากเกินไปจุกก็ได้หรือสิ่งที่เรามากินเนี่ย มันเป็นสิ่งที่มันมีมีพิษมีภัยนะเสพเข้าไปแล้วมันก็ก่อให้เกิดผลเสียต่อร่างกายนะอย่างเช่นพวกสุรายาเสพติดนะของมึนเมาทั้งหลายนะพวกนี้เนี่ยนะที่เราไปเสพเพราะว่าอะไรบางทีเราอาจจะงุดหงิดเราอาจจะเครียดนะเราก็อยากจะปลดปล่อยผ่อนคลายสักหน่อย นะแต่การผ่อนคลายของเราเนี่ยเราอาศัยสิ่งที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อร่างกายนะตรงนี้ก็จะทำให้สุขภาพของเราเสียนะแล้วก็ทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาทีหลังไดนะ้หรืออย่างการที่เรากลัวว่าเราจะเดือดร้อนเราจะยากจนเราต้องทำมากินหา เ, เงินหาทองนะถ้าเราทำโดยสุจริตก็ไม่มีปัญหา นะแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยความต้องการของคนเราเนี่ยที่ไม่รู้จักยับยั้งชั่งใจเนี่ยมันโดนความโลภเนี่ยนะมันผลักไสเรานะให้เราต้องหาเงินหาทองมากมายนะและบางคนก็อาจจะทุจริตคอรัปชันนะอันนี้ก็เกิดจากการที่เราไม่รู้เท่าต้านความพอเหมาะพอดีนะในการที่จะดำรงชีวิตนะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ทําให้เกิดความเสื่อม ความเสื่อมทั้งตัวเองด้วยความเสื่อมทั้งในสังคมด้วยน ะ, ะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าเรารู้จักนะความพอเหพอดนะีของกายของใจนะเราก็จะกินอยู่อย่างพอดีนะหาเงินหาทองไม่ต้องไปเหน็ดเหนื่อยไม่ต้องไปคอร์รัปชันไม่ต้องไปจุจิตริดนะไม่ต้องไปคดโกงนะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เรียกว่าเราก็จะมีชีวิตที่เป็นปกติสุขได้ นะมีความสุขได้พอกินพออยูนะ่ตรงนี้จะเป็นส่วนที่จะทำให้ชีวิตของเรานั้นมีความราบรื่นขึ้นนะไม่ต้องไประแวดระวังกลัวนะเดี๋ยวต้องติดคุกติดตารางนะอันนี้เป็นเรื่องที่เรารู้จักการใช้สติใช้ปัญญานะในการที่จะดำเนินชีวิตนะให้เป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมนะกับ ความจริงนะที่เป็นธรรมชาตินะทีนี้ถ้าเราทำไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมเนี่ยนะมันก็จะทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาได้เพราะนั้นสิ่งสำคัญก็คือจิตใจของเราที่จะต้องไม่หวั่นไหวไปในความเปลี่ยนแปลงนะซึ่งตัวที่จะช่วยทำให้จิตใจไม่หวั่นไหวนั้นก็คือตัวสติและปัญญานะที่จะเห็นว่าอะไรถูกอะไรครวรและควรจะแก้ปัญหาอย่างไรนะแล้วก็เห็นความจริงของสิ่งต่างๆว่า มันมีความเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดานะเจ็บไข้ได้ป่วยก็เป็นธรรมดานะความแก่นะความเจ็บก็เป็นธรรมดานะเรียกว่ายอมรับความเปลี่ยนแปลงและเมื่อยอมรับความเปลี่ยนแปลงก็ไม่ใช่วันนิ่งเฉยนะอย่างเราเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยเราก็ต้องรักษานะไม่ใช่ว่าอูู้้ไม่เป็นไรมันเป็นธรรมดามันเจ็บก็เป็นธรรมดาแต่เราไม่แก้ไขเลยนะอันนี้ก็เรียกว่าไม่ได้มีปัญญา นะไม่ได้ใช้ปัญญาในการแก้ไขเพราะนั้นความเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตามนะถ้าเป็นสิ่งที่ไม่ดีเราก็แก้ไขได้นะไม่ใช่ว่าปล่อยปะละเลยไปอ๋อมันเป็นอย่างนั้นของมันเองนะเป็นธรรมชาติธรรมดาเราไปทำอะไรไม่ได้นะเรียกว่ายอมจำนนนะแม้แต่จิตใจของเราเนี่ยถ้าเราไม่พยายามที่จะปรับปรุงแก้ไขให้พอหมะพอดีเนี่ยนะบางทีมันก็ทาไปตามอานาจของ กิเลสนะโดยอาศัยทําอะไรตามใจตัวเองรนะักสบายนะบางทีก็ตรงนี้ก็ทําให้เราอ่อนแอได้เพราะฉะนั้นการที่เราเห็นความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะก็ต้องรู้จักการที่ปรับเนือปรับตัวกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะแล้วก็ดัดแปลงแก้ไขนะให้ถูกต้องเหมาะสมนะกับสิ่งที่เกิดขึ้น เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นสิ่ง disaster, ที่ทําให้เราเห็นว่าความทุกข์เนี่ยนะทั้งทุกข์กายทุกข์ใจเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้มันสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงด้วยสติด้วยปัญญาถ้าเราทําด้วยสติด้วยปัญญามันก็จะเกิดผลดีนะเป็นความเจริญเป็นความก้าวหน้านะเป็นสันติสุขเป็นสันติภาพแต่ถ้าเราเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่ดีนะทำไปด้วยอารมณ์ ทำไปด้วยความโลภความโกรธความหลงนะมันก็ทำให้เกิดความสับสนวุ่นวายอย่างในปัจจุบันนี้นะมีสงครามในตะวันออกกลางนะหรือแม้แต่ในเอ่อพื้นที่ต่างๆนะซึ่งส่วนใหญ่มันก็เกิดจากการที่เราไม่รู้เท่าทัานตรงนี้นี่เองนะเรียกว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะจากการที่เราไม่รู้จักนะการใช้สติ ป, ปัญญาในะการที่จะ ทำตัวนะให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นนะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องรู้จักนะให้เห็นความจริงนะของสิ่งต่างๆางนะเพราะนั้นตรงนี้ถ้าเราไม่รู้จักการปรับเนื้อปรับตัวไม่รู้จักการใช้สติใช้ปัญญาเนี่ยนะบางทีมันก็ชีวิตของเรามันก็เรียกว่าล่องลอยไปตามยถากรรม นะซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่อันตรายสมัยก่อนก่อนที่พุทธองค์จะตรัสรู้เนี่ยคนส่วนใหญ่นะก็มีความเชื่อว่าชีวิตของเราเนี่ยเป็นไปตามพรหมลิขิตนะพูดง่ายๆก็คือแล้วแต่นะมันจะเป็นยังไงก็แล้วแต่พระพรหมเป็นผู้ลิขิตนะแล้วแต่สิ่งที่ดนบันดาล น, นะแต่ว่าพุทธองค์ได้มาคนพบว่าไม่ใช่นะมันขึ้นอยู่กับการกระทาของเรา เขาเรียกว่ากรรมมริรคกิจนะกรรมมริรคกิจก็คือการทำในสิ่งที่เป็นความถูกต้องเหมาะสมคนจนสามารถจะรวยได้นะไม่ใช่ว่าเกิดมาจนก็จนไปจนตลอดชาตินะถ้าเราขยันขันแข็งแล้วทำให้ถูกต้องเหมาะสมนะคนที่เป็นทุกข์ก็แก้ทุกข์ไดนะ้ไม่ใช่ว่าขึ้นอยู่กับเวรกรรมที่แต่ชาติบางไหนนะเราสามารถที่จะแก้ทุกข์ได้ นะถ้าเรารูนะ้แล้วก็เห็นแล้วก็แก้ไขนั้นนี่เป็นสิ่งที่เราสามารถจะทำได้เพราะนั้นตรงนี้เนี่ย <c oughs> ชีวิตของเราเนี่ยวิวัตรพัฒนาไดนะ้โดยอาศัยสิ่งที่เราเรียกว่ า, าสติและปัญญานี่เองเหมือนกับเรื่องที่คนโบราณนะเล่าเอาไว้นะเป็นนิทานที่น่าสนใจหลายคนคงเคยได้ยินนะเขาบอกว่า เมื่อครั้งที่พระเจ้าสร้างโลกขึ้นมาครั้งแรกนะกเ็เมื่อสร้างโลกขึ้นมาแล้วนะก็ได้สร้างคนขึ้นมานะคนเกิดมาเนี่ยนถามว่าเกิดมาทำอะไรนะถามพระเจ้าพระเจ้าบอกเจ้าเกิดมาเนี่ยนะนะเจ้ามาดูแลโลกนะมารักษาโลกให้มันสวยงามนะรักษาไว้ให้ข้าด้วยนะพระเจ้าบอกว่า จะต้องดูแลกี่ปีก็คือพูดง่ายอายุอกี่ปนะีท่านก็บอกว่าสาบปีนะดูแลโลกนะก็สร้างมนุษย์ขึ้นมาทีนี้พอสร้างมนุษย์ขึ้นมาแล้วพนะระเจ้าก็คิดต่อไปว่าเออมนุษย์นี่มันต้องทําการทํางานเนาะถ้ามันทํางานด้วยตัวคนเดียวนะมันก็คงจะเหน็ดเหนื่อยนะก็เลยคิดสร้างสัตว์ขึ้นมาประเภทหนึ่งนะสัตว์ที่สร้างมาช่วยมนุษย์ก็คือควาย นะสร้างควายขึ้นมาควายเนี่ย <c oughs> มันเกิดขึ้นมามันก็ถามว่าอา้าวสร้างข้าขึ้นมาเนี่ยจะให้ข้าทำอะไรพ <c oughs> ระเจ้าก็บอกไอ้แก่เป็นควายนะไปช่วยมนุษย์ทํางานไถานานะต้องทํากี่ปีนะควายมันก็ถามพระเจ้าบอกสาสิปีนะเท่ากับอายุมนุษย์นั่นแหละนะ ปรากวา่าควายมันบอกโหสามที่ปีมันเหนื่อยนะไม่ไหวหรอกนะขอเหลือสักสิปีก็พอนะพระเจ้าก็บอกอา้าวสิบปีก็สิบปีนะทีนี้มนุษย์เราเนี่ยนะตอนที่พระเจ้าสร้างมาก็คิดว่าโอ้ยสุขสบายเราไม่ต้องทำอะไรเดี๋ยวมีควายช่วยนะก็รู้สึกมีความสุขนะมีความสบายเกิดมาในโลกนี้ไม่ต้องทำอะไรมากหรอกนะก็อยากจะมีอายุยืนนะก็ เข้าไปใกล้ๆพระเจ้าแล้วก็ไปขอว่าไอ้ยี่สิปีของควายน่ะขอของผมเถอะนะให้ผมเถอะนะพระเจ้าว่าเออไอ้นี่มันไม่รู้ซะแล้วนะว่ามันจะเป็นยังไงเอ้าจะเอาก็ให้ไปยี่สิปีของควายให้กับมนุษย์ไปนะทีนี้นอกจาก <c oughs> สร้างควายขึ้นมาแล้วนะพระเจ้าก็ยังคิดต่อไปพระเจ้านี่ช่างคิดนะช่างคิดไปเรื่อยนะอย่างน้อยๆก็ช่วยมนุษย์ล่ะนะ อ้าทีนี้สร้างควายมาแล้วนะมนุษย์เราทำการทำงานมีทรัพย์สินมีเงินทองนะ <c oughs> ก็ต้องระมัดระวังนะไม่ใครมาขโมยกระโจนมารักปนจี้นะอย่าง น, น้อยก็ต้องมีสัตว์ที่คอยมาเฝ้ามาดูแลส่งสัญญาณนะก็เลยสร้างหมาขึ้นมาตัวนึงหมามันเกิดมาถามว่าเกิดมาทำอะไรพนะระเจ้าก็บอกอ๋อหมานี่ลห เกิดมาก็เฝ้าสมบัติให้มนุษย์ที่นะมนุษย์เวลากลางคืนนอนหลับจะได้ไม่ต้องกังวลนะเองมีหน้าที่เฝ้าทรัพย์สมบัติเวลาขาโมยกระโจนเข้ามาก็เห่าไล่มันไปนะนี่ก็เป็นหน้าที่ของหมาหมาถามว่าจะมีอายุ ก, กี่ปีสามสิบปีมั้งกันหมาบอกโอไม่ไหวอ่ะสิบสามสิบปีมเหนื่อยนะไม่ได้หลับได้นอนนะก่อนเลือดสิบปีก็แล้วกันนะอ้า พระเจ้าก็บอกอา้าวได้1ิปีก็สิปีพระเจ้าในใจดีดนะทีนี้มนุษย์เนี่ยนะก็ยังขี้โลบอีกอยากจะมีอายุยืนๆอีกนะก็ไปขอยี่สิปีของหมามาอีกนะเป็นเท่าไหร่ละเจ็ดสิบปีนะเออจำอายุไว้ดีๆนะตอนแรกอายุสามสิบนะไปอายุ ค, ควายมายี่สิบก็เป็นห้าสิบใช่ไหมทีนี้เอาอายุหมาอีกเจ็ดสิบนะอา้าวทีนี้พระเจ้าก็คิดต่อไปว่าโอ้คนเราเนี่ยนะ ทำงานเหน็ดเหนื่อยนะมันน่าจะมีสิ่งสนุกสนานบันเทิงนะทำให้คนได้คลายเครียดบ้างนะก็สร้างสัตว์ขึ้นมาอีกชนิดหนึ่งก็คือลิงลิงมีหน้าที่อะไรเกิดมาทำอะไรนะพระเจ้าบอกเองเกิดมาเล่นตลกให้คนดูไอนะ้คนหัวเลาะบางังอะไรบงังนะเออเอากี่ปีต้องเล่นตลกในกี่ปีสามสิปีนะโอลิงอุทธรบอกไม่ไหวนะ สาปีเหนื่อยนะขอเหลือสิบปีก็แล้วกันนะอ่ะสิบปีก็สิบปีพระเจ้าก็ยอมคนนี้มันก็คีโรบอะ่ะนะก็เข้าไปหาพระเจ้าอ้ยี่สิบปีของลิงอะ่ะขอไม่ฆ่าเถอะนะพระเจ้าว่าเออเอาเอ า, เอาก็เอาคนก็เลยมีอายุเท่าไหร่เก้าสิบปีตั้งแต่นั้นมานะมนุษย์ก็ดีคนก็ดีสัตว์ทั้งหลายก็ดีลงไปในโลก สังเกตไหมว่าสิ่งที่พระเจ้าสร้างมาเนี่ยคนเราเป็นยังไงตอนอายุหนึ่งปีถึงส0สิปีนะกส็สุขสบายนะไม่ต้องมีภาระอะไรมากอย่างคนไทยเราก็มีพ่อแม่ดูแลให้แต่บางทียี่สิบปีสาสิปีก็ยังไม่ต้องมีภาระอะไรมากถ้ายังไม่แต่งการแต่งงานนะสบายนะมีชีวิตที่สุขสบายแต่พอเริ่มมีการมีงานอายุ3 0ถึงหิเป็นไง อาบเหงื่อต่างน้ำทำมาหาเลี้ยงชีพตัวเองทำงานเหน็ดเหนื่อยเหมือนควายไปอายุควายมานะเอาพออายุหนะ้าสิบห้าสิถึงเจ็ดิเทรัพย์สมบัติมีแล้ว น, นี้เริ่มโอ้ห่วงและห่วงแล้วนะต้องคอยดูทรัพย์สมบัติเวลากลางคืนก็ น, นอนไม่ค่อยอิ่มเท่าไหร่กลัวขโมยกระโจนมันจะบุกขึ้นมานะเรียกว่าเป็นหมานะหมาเฝ้าทรัพย์สมบัติแล้วนะ พออายุ7 0็ดถึงเกเป็นยังไงหลงหลงลืมลืมนะกินก็ว่ายังไม่ได้กินนะบางทีก็ลืมนู่นลืมนี่ลืมนั่นนะเรียกว่าเหมือนกับเป็นตัวตลกให้กับลูกหลานนะก็คือแปลอายุของลิงมานั่นเองอันนี้เป็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะที่คนโบราณเขาเข้าใจนะเอามาสร้างเป็นนิทานนะเพื่อสะท้อนนะให้เราได้มาพิจารณา แต่ก็มีคำแก้นะเราสามารถที่จะหลุดพ้นคำสาบานหรือว่าคำสั่งของพระเจ้านี้ได้ถ้าเรารู้จักการฝึกสตินะฝึกธรรมะนะฝึกเจริญปัญญาเราก็จะเห็นคนแก่ที่ยังสุขุมรอบคอบหลงลืมบ้างก็มีบ้างนะแต่ไม่คนทไม่ไม่ได้ทำอะไรตามใจตัวเองนะหรือว่า คนที่ทำงานนะอายุวัยทำงานก็ทำงานพอเหมาะพอดีรู้จักการพักการผ่อนะไม่ทำงานหามลุกหามค่ำจนเครียดนะจนเหนื่อยนะตรงนี้นะก็ขึ้นอยู่กับการที่เร า, เารู้จักการปรับตัวปรับใจนะใช้สติใช้ปัญญาในะในการที่จะคลองตัวเองนะไม่เป็นไปตามาความเปลี่ยนแปลงในทางที่ทำให้เกิดความเสื่อม เราสามารถจะเปลี่ยนได้นะแต่แน่นอนนะ เ, เมื่อแก่เท่าเนี่ยมันก็มีหลงมีลืมบ้างอันนั้นเป็นเรื่องของร่างกายแต่ถ้าเรามีสติมีปัญญานะเราก็จะสามารถที่จะดูแลนะตัวเราเองนะไม่ไปเป็นควายไม่ไปเป็นหมาไม่ไปเป็นลิงไดนะ้นี้ก็อาศัยสติและปัญญานะที่เกิดจากการฝึกฝนนะซึ่งเราก็ต้องฝึกฝนกันตั้งแต่ตอนมีกำลังวังชานี่แหละ นะไม่ต้องไปให้แก่เท่าหรือเจ็บป่วยแล้วนะค่อยมาทำนะซึ่งตรงนั้นมันอาจจะช้าเกินไปมันอาจจะสายเกินไปเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่อยากจะฝากให้เราได้พิจารณานะในความเปลี่ยนแปลงนะเป็นเรื่องธรรมดาที่จะต้องเกิดขึ้นะความเปลี่ยนแปลงเมื่อมากระทบใจหรือมากระทบกายของเรา ถ้าเรามีสติมีปัญญาเราก็แก้ไขไปในทางที่เกิดความเจริญนะเกิดสันติสุขสันติภาพนะขึ้นมาในจิตในใจได้แต่ถ้าเราไม่รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงเราก็จะวิตกปังวลนะหรือว่าไม่สามารถที่จะทำให้เกิดความเจริญได้นะมันก็จะนำไปสู่ความเสื่อมนะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราสามารถจะทำได้เป็นสิ่งที่ ถ้าเราไม่รู้เท่าทันมันจิตใจหวั่นไหวไปกับความเปลี่ยนแปลงนะก็จะทําทให้เรานั้นได้รับทุกขนะ์มีความไม่เป็นปกตินะในจิตในใจขึ้นมานะซึ่งสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราควรจะได้พิจารณาและก็นําไปประพฤติปฏิบัตนะิให้เกิดสันติสุขสันติภาพในจิตใน ใ, นใจขึ้นมานะสมกับที่พุทธองค์ได้กล่าวไว้ เป็นปัจชิมพุโทวาดว่ า, าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงนะท่านทั้งหลายจงทําทุกสิ่งด้วยความไม่ประมาทนะจงอยู่ด้วยความไม่ประมาทนะก็คือมีสติมีปัญญาในการวันลงชีวิตนะและก็สามารถปรับตัวให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้นะปรับใจนะให้เป็นปกติได้อยู่ใน ชีวิตประจําวันนี้เองนะอะไรในาท้ายที่สุดนี้นะก็ขออ้างอิงขอบคุณของพระศีรัะตนตรัยนะก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธก็คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะก็คือสติสัมปชัญญะที่มีอยู่ในตัวเราพระธรรมคือเศรษฐธรรมความจริงที่แสดงปรากฏนะมีการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปไม่อยู่ในอำนาจนะแล ะ, ะสงฆ์ก็คือการประพฤติปฏิบัตินะด้วยสติด้วยปัญญา นะปรับเนื้อปรับตัวให้พอเหมาะพอดีเป็นไปตามทํานองครองธรรมนะแลนะได้ความศรัทธาความเลื่อมใสความเพียรความพยายามด้วยสติปัญญาสมาธิความตั้งใจนะทุกท่านได้สัมผัสกับความเป็นปกติของใจที่เป็นสันติสุขสันติภาพนะที่มีอยู่ในเรววันนี้โดยทั่วหน้ากันเถินเจริญพร